บางคนดีบางคนไม่ดีบางคนมีความสวยงามบางคนไม่สวยงามบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบางคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบางคนมีอายุยืนยาวนานบางคนมีอายุสั้น ความแตกต่างเหล่านี้มันเกิดเป็นผลของการสร้างบุญบารมีมากน้อยต่างกันถ้าสร้างบุญบารมีมากความสุขความเจริญความฉลาดความร่ำรวยอะไรต่างๆนี้ก็จะมีมากถ้าทำบุญน้อยสร้างบารมีน้อย ก็จะมีน้อยคนเราจึงมีความแตกต่างกันเพราะในอดีตของเราแต่ละคนสร้างบุญบารมีมาไม่เท่ากันนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะปรับปรุงพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ให้เรามาสร้างบุญบารมีกัน แต่เราต้องมองบุญบรารมีไปในทางทางไกลไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำปุ๊บจะได้ปับ๊บต้องใช้เวลาสร้างกันและอาจจะไม่เกิดผลในภพนี้ชาตินี้ยกเว้นถ้าเราสามารถสร้างบุญบรารมีได้อย่างเต็มที่ เราก็จะได้รับผลในชาตินี้แต่ถ้าเรายังสร้างไม่ได้เต็มที่มันก็จะเป็นผู้จะสนับสนุนชีวิตของเราในภพหน้าชาติหน้าให้ดีกว่าภพนี้ชาตินี้ถ้าเราสร้างบารมีถึงขั้นที่ไม่ต้องไปเกิดได้เราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ได้เข้าสู่พระนิพพานอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความสามารถของแต่ละท่านที่จะสามารถสร้างบุญบรารมีได้มากน้อยอย่างไรอยู่ที่ความรู้ความสามารถของแต่ละคนอยู่ที่ความ เชื่อในเรื่องของบุญบารมีว่าเป็นเหตุที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมถ้ามีความเชื่อมั่นในบุญบารมีก็จะพร้อมที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างบุญบารมีมากกว่าที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจ ให้กับการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสิ่งที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่แต่หลังจากที่เราตายไปแล้วน เราจะต้องไปเกิดต่ออีกถ้าเราไม่มีบุญบารมีก็เหมือนกับเราไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวไปเราก็จะไปแบบยากจนลำบากแต่ถ้าเรามีบุญบารมีสร้างบุญบารมีไว้เวลาที่เราตายไปเวลาที่ร่างกายตายไปเราจะมีทรัพย์ติดตัวไปเราก็จะไป สบายไปไม่ห ย, ยังมีความสุขอันนี่คือสาเหตุทําไมเราจึงต้องมาสร้างบุญบารมีกันเพราะชีวิตของเราไม่ได้จบลงที่ความตายของร่างกายความตายของร่างกายนี้เป็นเหมือนบทหนึ่งของชีวิตของเราชีวิตของเรายังมีอีกหลายบทตามมาะ นกว่าที่เราจะสามารถไปถึงบทสุดท้ายได้บทสุดท้ายก็คือการไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปแต่การที่จะไม่เกิดไปเกิดอีกต่อไปก็ต้องอาศัยการสร้างบารมีทุกชนิดให้ครบบริบูรณ์ถึงจะสามารถเขียนบทสุดท้ายของชีวิตของพวกเราได้ถ้าเรายังไม่ได้ บุบารมีระดับนั้นชีวิตของเราจะมีบทให้เราได้เล่นต่อไปได้แสดงต่อไปอยู่เรื่อยๆ อ, อย่างที่เราได้แสดงมาแล้วไม่รู้กี่แสนกี่ล้านบทด้วยกันเราได้พวกเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วแลวเรายังจะต้องไปเกิดแบบนี้อีกต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะสามารถยุติการไปเกิดได้ดังนั้นถ้าเรายังไม่สามารถยุติการไปเกิดได้เพราะการไปทำให้การไม่ไปเกิดนี้เกิดขึ้นได้นี้มันต้องใช้บุญบารมีทุกชนิดมารวมกันถึงจะสามารถที่จะหยุดการไปเกิดได้ ถ้าเรายังหยุดการไปเกิดไม่หยุดการไปเกิดไม่ได้อย่างน้อยก็เราพยายามสร้างการไปเกิดของเราในอนาคตให้มันดีกว่าปัจจุบันให้มันดีขึ้นไปทุกภพทุกชาติภพนี้ภพหน้าให้มันดีกัาบาภพนี้แล้วภพหลังจากภพหน้าก็ให้มันดีกว่าภพหน้า ถ้าเรามีการสร้างบุญบารามีกันอย่างต่อเนื่องพพชาติของเราก็จะดีขึ้นไปได้เรื่อยและก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะไปถึงภพสุดท้ายของเราชาติสุดท้ายไปยุติการเวียนว่ายตายเกิดที่มีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์เนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขตอนนี้พวกเรายังไม่ได้เจอความทุกข์หนักๆกันเราก็เลยยังอาจจะคิดว่าการมาเกิดได้ดีแต่เดี๋ยวเราไปเจอความทุกข์จากความแก่ความทุกข์จากความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์จากการพัดพร้าจากกันความทุกข์ความทุกข์จากความตาย อันนั้นเน่เราถึงจะไม่อยากจะกลับมาเกิดนะดังนั้นถึงแม้ว่าถ้าเรายังไม่ได้พบเราก็สามารถศึกษาให้เห็นโทษของการมาเกิดให้ได้นะให้เราละเลิกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆถ้ายังไม่รู้ว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นอย่างไรก็ไปหา ดูกันดูคนแก่ไปพบคนแก่กันไปดูคนเจ็บไข้ได้ป่วยกันไปดูคนตายกันมันจะได้ทําให้เราเห็นภาพของความทุกข์ของการมาเกิดได้อย่างชัดเจนแล้วมันจะทําให้เรานี้ไม่อยากจะกลับมาเกิดกันอีกแล้วจะทําให้เรา มีความอยากที่จะมาสร้างบุญบรารมีกันเพ อ, อการสร้างบุญบรารมีนี้เป้าหมายที่แท้จริงก็คือการยุติการกลับมาเกิดกันนั่นเองกลับมาแก่มาเจ็บมาตายกันแต่ถ้ายังกลับมาเกิดอยู่ก็ยังเป็นการเกิดที่ดีกว่าเดิมมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์ยากลาบากน้อยลง เะบุญบารมีนี้เป็นผู้ที่จะสร้างความสุขและกําจัดความทุกข์ต่างๆนี้สร้างความสุขให้มากขึ้นกําจัดความทุกข์ให้น้อยลงไปตามลําดับพระพุทธเจ้าจึงต้องสร้างวันพระขึ้นมาสร้างวันพระเพื่อให้ พุทธบริษัทได้มีเวลามาสร้างบุญบารมีกันถ้าไม่มีวันพระก็จะไม่มีวันเข้าวัดกันไม่มีวันที่จะมาสร้างบุญบารมีกันจึงต้องให้หยุดทำงานอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อที่จะได้มีเวลามาสร้างบุญบารมีกันบุญบารมีนี้ก็มี อยู่หลกักมีอยู่10บชนิดด้วยกันบุญบา ร, รมีข้อที่หนึ่งที่เป็นข้อแรกของการสร้างบุญบา ร, รมีก็คือเมตตาบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีจะเป็นเหมือนกุญแจที่จะเปิดประตูให้เราได้เข้าไปสร้างบา ร, รมีชนิดต่างๆ ต, ต่อไปถ้าเราไม่มีความเมตตา เราจะไม่สามารถที่จะไปสร้างบารมีขั้นต่อไปได้คือทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มะบารมีอุเบกขาบารมีและปัญญาบารมีนี่คือบารมีต่างๆที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้น ให้มีความสุขมากขึ้นและการที่จะสร้างบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้ได้เราจำเป็นที่จะต้องมีบา ร, รมีที่เป็นเครื่องมือในการสร้างบา ร, รมีต่างๆบา ร, รมีที่เป็นเครื่องมือที่เราจะมาใช้สร้างเมตตาบา ร, รมีศีลบา ร, รมีทานบา ร, รมีเนคัมมะบา ร, รมีอุเบกขาบา ร, รมี ปัญญาบาลมีก็คือหนึ่งเราต้องมีอธิฐานบารามีอธิฐานนี่แปลว่าความตั้งใจเนี่ยไม่ได้แปลว่าการขอสิ่งนั้นสิ่งนี้มีความหมายต่างกันในภาษาไทยเราจะแปลคำว่าอธิฐานว่าขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเวลาเราไปทำบุญไปกราบพระ ในโบสเราก็มักจะอธิษฐานขอนั่นขอนี่กันขอให้รวยขอให้สําเร็จขอให้มีความสุขการขอแบบนี้ไม่มีผลแต่อย่างใดเพราะสิ่งที่เราขอนี้ไม่ได้เกิดจากการขอเกิดจากการสร้างของเราจากการกระทําของเราเหตุั้นคำหมายของ อธิษฐานที่แท้จริงในอธิษฐานในของบารมีนี้คือความตั้งใจคือความตั้งใจที่จะสร้างบารมีต่างๆถ้าเราไม่มีความตั้งใจเราก็จะไม่ได้สร้างกันเพราเราจะทำอะไรได้ต้องมีความตั้งใจก่อนเช่นวันนี้ถ้าไม่ได้ตั้งใจมาที่นี่ก็ไม่ได้มากัน ถ้าวันนี้ตื่นขึ้นมาไม่รู้จะทำอะไรก็อาจจะแล้วแต่อารมณ์นึกความนึกคิดขึ้นมานึกอยากจะทำอะไรก็อาจจะทำในขณะนั้นเลยแต่ถ้าเราได้ตั้งใจไว้ก่อ น, นงหน้าว่าวันนี้เราจะมาวัดเนี่ยเราก็มีเป้าหมายแล้วพอถึงเวลาเราก็ไปไปวัดตามที่เราตั้งใจไว้ ถ้าเราไม่มีอธิษฐานไม่มีความตั้งใจคือใจเราไม่มีหลักพูดง่ายๆไม่มีเป้าหมายของชีวิตปล่อยให้ไปตามอารมณ์ไปตามเหตุการณ์ชีวิตมันก็จะเป็นเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือเรือที่ไม่มีหางเสือหรือรถที่ไม่มีพวงมาลัยขับรถไม่มีพวงมาลัยเป็นยังไงให้รถมันวิ่งไปเอง มันอยากจะไปทางซ้ายก็ไปซ้ายไปขวามันก็ไปขวามันอยากจะตกถนนมันก็ออกไปตามเรื่องของมันนั่นแหละคือความว่าอธิษฐานคือความตั้งใจภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า resolution คนเราต้องมีเป้าหมายตั้งเป้าหมายของชีวิตว่าชีวิตนี้เราจะต้องการไปทิศทางไหน เช่นตอนเป็นเด็กเด็กก็จะตั้งเป e ้ากันว่าอยากจะไปเป็นหมออยากจะไปเป็นทหารอยากจะไปเป็นนายธุรกิจนักธุรกิจเนี่พอเขามีเป้าหมายแล้วทีนี้เขาก็จะได้เดิน<ๆ><ๆ>เดินไปตามเปเ้าที่เขาตั้งไว้เลือกวิชาเรียนที่จะเหมาะต่อเป้าหมายที่เขาต้องการเรียนหมอก็ต้องไปเรียนวิชาของหมออยากเป็นหมอก็ต้องไปเรียนวิชาของหมอ อยากจะเป็นนักธุรกิจก็ต้องไปเรียนวิชาของนักธุรกิจเนี่ยนี่คือความตั้งใจเรียกว่าอธิษฐานนะอธิษฐานในบา ร, รมีนี้ก็คือให้มีความตั้งใจที่จะมาสร้างบา ร, รมีเพราะเชื่อว่าบา ร, รมีนี้จะทำให้อนาคตของเราดีขึ้นกว่าเดิมชาติหน้าเราจะรวยกว่าเดิมมี ความฉลาดมากกว่าเดิมเป็นคนที่ดีมากกว่าเดิมนี่คือสิ่งต่างๆที่เราสามารถทำได้มีได้แต่เราต้องมีการตั้งเป้าหมายไว้อนี่คือความหมายของคำว่าอธิษฐาน การที่เราจะมาสร้างบรารมีต่างๆเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นนี้เราต้องมีอธิษฐานบรารมีเราต้องหัดตั้งใจเราต้องมีความตั้งใจอธิษฐานว่าชาตินี้ขอให้ขอให้เกิดมานี้เพื่อมาสร้างบรารมีไม่ได้มาเพื่อม า, อาหาลาบยศสารเสนหาความสุขจากรูกเสียงกิ่นลนเพราะว่ามันเป็นผลชั่วคราว มันเห็นมันเป็นผลระยะสั้นตายไปสิ่งที่เราหามาก็หมดไปเงินทองหามาได้มากน้อยเพียงไรตายไปให้มันก็หมดได้ตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนตายไปมันก็หมดไม่มีอะไรที่เราจะติดตัวไปเป็นสมบัติที่จะไปสนับสนุนชีวิตของเราในภายภาคหน้าได้ในภพหน้าชาติหน้าได้มีบุญบรารมีนี้เท่านั้นแหละ ที่จะเราเอาจะติดตัวไปได้ที่จะส่งให้ชีวิตของเราในอนาคตดีกว่าในภพนีิชาตินี้ น, นี่คือข้อที่หนึ่งคือเครื่องมือที่เราต้องมีต้องฝึกต้องหัดตั้งเป้ากันเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราตั้งกันก็คือให้มาสร้างบุญบรารมีกันอย่างน้อยก็ให้เริ่มต้นที่อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง วันพระวันหยุดทํางานแทนที่จะไปเที่ยวกันไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ไปสร้างบารมีกันดีกว่าเพราะว่าประโยชน์ที่ได้จากการสร้างบารมีนี้มันมีมากมายมหาศาลกว่าประโยชน์ที่เราจะได้จากการไปเที่ยวไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวเดียว วันนี้ไปเที่ยวเดี๋ยวพวกนี้ไปทำงานความสุขนี้ได้จากไปเที่ยวก็หายไปหมดนะความปวดหัวเรื่องวุ่นวายต่างๆจากการทำงานก็เข้ามาแทนที่มันไม่ได้ติดไปกับใจของเราเหมือนกับบุญบารามีบุญบารามีเราสร้างแล้วมันจะอยู่กับใจเราไปนานมันจะไปกับใจเราหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี่คือข้อที่หนึ่ง เราต้องมีอธิษฐานเราต้องมีการตั้งเป้าหมายของชีวิตของเราว่าเราเกิดมาเพื่อทำอะไรเรากลับมาเพื่อจะมาเป็นหมอเป็นพระธานาธิบดีเป็นมหาเศธธรษฐีเพื่อเราจะมาสร้างบา ร, รมีเพื่อให้เราได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ต่อไปนี่คือผลของการตั้งเป้าหมายก็จะทำให้เราได้รับผลต่างกันไป ถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าชีวิตนี้จะต้องร่ำรวยเราก็จะไปหาเงินหาทองถ้าเราต้องการจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนักการเมืองเราก็ต้องไปเล่นการเมืองไปหาเสียงไปอะไรเพื่อจะได้เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีถ้าเราอยากจะเป็นนักกีฬาเหรียญทองเราก็ต้องไปฝึกกีฬาเดี๋ยวพอมีการแข่งขันโอลิมปิกเราก็ไปแข่งขันกัน แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เหรียญทองเอโอลิมปิกมาจากผลจากการที่เราได้สิ่งเหล่านีมน้มันมีอายุเพียงเฉพาะชีวิตนี้เท่านั้นพอเราตายไปของพวกนี้ถือว่าหมดอายุเราหมดสิทธิ์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาติดตัวไปกับเราได้คนที่ไม่รู้เรื่องจิตใจก็อาจจะคิดว่า ชีวิตก็มีเท่านี้ขณะที่มีชีวิตอยู่ต้องรีบตักตวงสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้มากที่สุดเพราะเมื่อตายไปแล้วก็คิดว่าทุกอย่างจบไม่มีอะไรตามมาต่อไปก็เราไม่รู้ว่าจะทำบุญไปทำไมจะไปสร้างบารามีทำไมเพราะไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเอาสิ่งที่เราเห็นที่สิ่งที่เราใช้ได้ตอนนี้ไม่ดีกว่าเลยเอาเงินทองไม่ดีกว่าเลย เอาเงินทองเราจะได้ไปซื้อของต่างๆไปเที่ยวไปหาความสุขจากการมีเงินทองคนที่ไม่ได้เข้าใจหรือไม่รู้จักเรื่องของจิตใจก็อาจจะไม่เห็นความสำคัญของเรื่องการสร้างบุญบรารมีจะเห็นความสำคัญของการหาเงินหาทองหาตำแหน่งหาอะไรต่างๆเพราะมันเป็นของที่สามารถจับต้องได้ เห็นได้ทันทีได้เงินมาปุ๊บเนี่ยยิ้มขึ้นมาเลยมีความสุขขึ้นมาทันทีจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้อยากจะซื้ออะไรที่อยากจะซื้อก็ซื้อได้คนที่ไม่รู้เรื่องของจิตใจรู้เรื่องเพียงแต่ของร่างกายก็คิดว่าชีวิตนี้มีไว้เพื่อมา หาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันก็จะไม่มีมีความตั้งใจที่จะไปทำบุญทำบารมีกันแต่ถ้าได้มีโอกาสได้ศึกษาคำสั่งคำสอนของคนฉลาดเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะสอนว่าชีวิตของเรานี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายชีวิตของเราอยู่ที่ใจ ใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของใจเครื่องมือกันในการหาความสุขชั่วคราวพอเรามีร่างกายใจก็ใช้ร่างกายพาไปหาความสุขต่างๆแต่พอร่างกายตายไปใจต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องมือหาความให้ความสุขดวงวิญญาณพอร่างกายตายไปใจที่ เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้เราก็เปลี่ยนชื่อจากใจเป็นดวงวิญญาณประสาังกฤษก็เปลี่ยนจาก i ม d ไปเป็นสป i เรตไปเป็นโกสเป็นผีนี่คือใจผู้ที่มาหาความสุขโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วพอเรามีร่างกายเราก็เลยรีบหาความสุขจาก เงินทองจากตำแหน่งจากรางวัลอะไรต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่เราไม่รู้ว่าเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราจะทำอย่างไรหรือเวลาที่ร่างกายไม่สามารถทำตามคำสั่งของเราได้เราจะทำอย่างไ ร, รเวลาที่เราแก่เราเคยหาความสุขจากร่างกายขอร่างกายแก่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เราจะทำอย่างไรคนบางคนก็คิดฆ่าตัวตายกันคิดฆ่าร่างกายเพราะมีร่างกายแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้อยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้ก็จะไม่อยากอยู่กันสมัยนี้มีคนพยายามออกกฎหมายให้ฆ่าตัวตายได้ให้หมอช่วยฆ่าตัวตายได้ พรอไม่รู้จะอยู่ไปทําไมอยู่ก็ไม่สามารถหาความสุขได้อยู่ไปก็ทุกข์ทรมานเปล่าๆฆ่าตัวตายแล้วก็คิดว่าความทุกข์ทรมานจะหายไปแต่ความจริงมันไม่หายหรอกเพราะความทุกข์ทรมานมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายค่าร่างกายตายไปแล้วความทุกข์ทรมานในใจมันไม่มันไม่หายไปมันกลับมีเพิ่มมากขึ้น พอเวลาเราฆ่าขายนี้มันจะมีความรู้สึกไม่สบายมีความทุกข์ขึ้นมายิ่งมาฆ่าตัวเราเองมันยิ่งทุกข์ใหญ่เนี่ยนี่คือความเข้าใจผิดที่เราเรียกว่าอาวิชชาหรือโมหะความหลงคิดว่าการฆ่านี้เป็นการทําลายความทุกข์ไม่ใช่การฆ่านี้เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้กับจิตใจะ การที่เราจะอยู่แบบคนแก่คนเจ็บแบบไม่ต้องฆ่าตัวตาได้เราก็ต้องอาศัยบุญบรารมีที่เรามาทํากันในวันพระนี่แหละเพราะถ้าเรามีบุญที่เราทําในวันพระนี้เวลาที่เราไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้บุญบรารมีต่างๆที่เราทํานี่แหละจะเป็นเครื่องมือสร้างความสุขให้กับเราทําให้เราอยู่ เฉยๆได้อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วย้วอยู่กับความแก่ได้อยู่กับความตายได้และเวลาตายไปแล้วบุญนี้ก็ยังทําหน้าที่ต่อไปให้ความสุขกับใจของเราต่อไปจนกว่าเราจะได้มาเกิดได้ร่างกายอันใหม่ น, น, นะนะพอเราได้ร่างกายอันใหม่ทีนี้เราก็จะเริ่มใช้ร่างกายอันใหม่ไปเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรา แล้วถ้าเรามีบุญพาเรามาเกิดสภาพของชีวิตเราก็จะดีกว่าชาติที่แล้วถ้าเราเคยมีเงินเราก็จะมีมากกว่าเดิมฐานะการเงินจะดีขึ้นความรู้ความฉลาดจะมีมากกว่าเดิมเพราะเราได้สร้างมันด้วยบุญบารมีในชาตินี้กันปัญญาบารมีงไงที่ทำให้เราฉลาด ศีลบารามีที่ทำให้เราเป็นคนดีทานบาามีเป็นที่ทำให้เรามีทรัพสมบัติพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามาสร้างบาามีกันการจะสร้างบารามีได้ก็ต้องเห็นคุณค่าของบาามีต้องเข้าใจว่าเวลาที่เราไม่สามารถใช้ร่างกายเราได้นี้เราต้องอาศัยบุญบาามีเป็นผู้ สร้างความสุขให้กับเราถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราก็จะได้มีเป้าหมายแล้วว่าเราต้องพยายามสร้างบา ร, รมีกันอย่างน้อยเราก็ต้องแบ่งเวลามาสร้างบา ร, รมีไม่ใช่ทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับการไปสร้างลาบยศสรรเส ร, ริญสร้างความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะถ้าเราทำอย่างนี้เราจะไม่มีแบ็กอัพจะไม่มีตัวสารอง ร่างกายเป็นอะไรไปเป็นพิกลพิการไปเป็นโรคภัยไข้เจ็บไปหาความสุขไม่ได้เราจะได้มีความสุขสำรองความสุขสำรองก็คือบุญบา ร, รมีที่เราได้มาสร้างกันนี่แหละจะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ทรมานจะทำให้ใจเรามีความสุขในขณะที่ร่างกาย ไม่สามารถทำหน้าที่หาความสุขให้กับเราได้ถ้าเราเข้าใจหลักนี้มันก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าของการมาสร้างบุญบารมีเหมือนกับเรารู้ว่าไฟฟ้านี่มันชอบดับเรื่อยๆอย่างนี้เราก็ต้องไปซื้อเครื่องปั่นไฟสำรองไว้ใช่หมหเพราะเรารู้ว่าถ้ามีเครื่องปั่นไฟสำรองนี่พอไฟดับเราก็มีเครื่องปั่นไฟ สำรองแล้วก็เปิดใช้ได้บ้านอื่นเขามืดหมดแต่บ้านเราสว่างเพราะเรามีเครื่องปั่นไฟนี่แหละคือบุญบารามีเป็นแบบนี้บุญบารามีเป็นเหมือนตัวที่จะให้ความสุขสำรองเวลาที่ร่างกายตัวที่หาความสุขให้กับเรานี้มันเกิดอุปสรรคขึ้นมาไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เราก็จะมีบุญนี้มาช่วย สร้างความสุขให้กับเราถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเข้าใจว่าบุญบรารมีนี้เป็นอย่างไรแล้วทีนี้เราก็จะเห็นความสาคัญของบุญบรารมีเหมือนกับถ้าเราไปอยู่ที่มันมีไฟดับบ่อยๆนี่เราต้องคิดหาเครื่องปั่นไฟสารองไวล้ละ ถ, ถ้าปล่อยให้มันดับบ่อยๆถ้าเราทำธุรกิจทำอะไรเดี๋ยวของเสียหายทำร้านอาหารของแช่ไว้เดี๋ยวเน่าเสียหมดเนี่ย เราก็ไม่ยอมที่ไม่ไม่อยากจะต้องรับผลเสียหายจากการไฟดับบ่อยๆเราก็ต้องไปซื้อเครื่องปั่นไฟมาสำรองไว้พอไฟดับเราก็ใช้เครื่องปั่นได้จะได้รักษาอของที่เราเก็บไว้ในตู้เย็นไม่ให้บูดไม่ให้เน่าได้อันนี้ก็เหมือนกันบุญมาลามีนี่ก็เป็นเหมือนอ เครื่องปั่นความสุขให้กับเราเครื่องสร้างความสุขให้กับใจเวลาที่ร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่ได้ซึ่งเราไม่มีใครรู้ว่าวันใดวันหนึ่งร่างกายจะเป็นอะไรขึ้นมาไม่ใช่คิดจะคิดว่าเราจะเป็นตอนที่เราอายุแปดสิบเก้าสิบงทีอายุยังหนุ่มยังสาวก็เป็นโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้เป็นพิกลพิการขึ้นมาได้แขนขาดหูหนวกตาบอด ไปดูข่าวที่เขาเอาข่าวคนพิการมาให้ให้เราดูบ้างเขามอก่อนเขาก็เป็นคนสมบูรณ์แข็งแรงแต่ไปประพบไปพบกับอุบัติเหตุบ้างหรือไปเป็นทหารไปทําหน้าที่รบในสนามรบกลับมาแขนขาดบ้างขาขาดบ้างนั่นแหละตอนนั้นเขามีอุปสรรคในการที่จะใช้ร่างกายหาความสุขแล้วก็มักจะ จบชีวิตลงด้วยการฆ่าตัวตายกันเพราะไม่รู้จักวิธีที่จะใช้บุญบารมีมาเป็นตัวสำรองในการหาความสุขเพราะไม่รู้เรื่องของบุญบารมีไม่เชื่อเรื่องของบุญบารมีคนโดยเฉพาะในทางตะวันตกเนี่ยเขาไม่ก็เชื่อเรื่องของจิตใจเรื่องของศาสนาเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องงมงาย เขาไม่ได้ศึกษาความจริงที่ศาสนาสอนหรือศาสนาที่เขาไปพบปะก็ เ, เป็นอาจจะเป็นศาสนาที่งบงายก็ได응้ก็เลยทำให้เขาไม่มีความเชื่อในเรื่องของศาสนา응เขาเชื่อเรื่องความรู้ที่จะเอามาใช้ในการหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกาย응เขาก็เลยไปเรียนหนังสือไปจบปริญญาอะไรกัน แล้วก็ใช้ความรู้นี้มาทํามาหากินหาเงินหาทองหาความสุขกันแต่ถ้าไปเจออุบัติเหตุไปเจอปัญหาขึ้นมาทางร่างกายเขาไม่รู้จะแก้อย่างไรนี่คือก็จะแก้โดยวิธีที่ผิดฆ่าตัวตายอยู่ไปก็ไม่มีความสุขไม่รู้จะอยู่ไปทําไม แต่ถ้าเราได้มามีโอกาสได้มาศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าจะสอนให้เรารู้ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆให้กับใจแล้วก็เป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะที่ร่างกายสามารถทําหน้าที่ได้ ถ้าเวลาใดที่ร่างกายนี้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตอนนั้นใจจะเดือดร้อนใจจะไม่มีความสุขใจอยากจะฆ่าตัวตายแต่ถ้ามาหาความสุขด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบา ร, รมีต่างๆใจจะมีความสุขเวลาที่ไม่มีร่างกายหรือขณะมีร่างกายสมบูรณ์แต่ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้ คนที่มีบุญบารมีนี้บางทีไม่ต้องใช้ร่างกายพาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่กลับมีความสุขจากการไปทำทานบารมีมีความสุขจากการไปทำงานเสียสละต่างๆไปเป็นอาสาสมัครไปช่วยงานที่นั่นที่นี่ช่วยคนทุกข์ยากเดือดร้อนลำบากแทนที่จะเอาเวลาไปเที่ยวหาความสุขจากการกินการดื่มการดูการฟัง กับมีความสุขจากการไปช่วยเหลือคนอื่นนี่คือทานบารมีดังนั้นถ้าเราเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของบารมีบุญบารมีว่าเป็นเหมือนความสุขที่เราจะใช้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเราก็จะได้มีความยินดีที่จะมาสร้างบุญบารมีกัน ถ้าเราคิดว่าเป็นเหมือนเครื่องปั่นไฟสำรองเวลาไฟดับเราจะได้มีไฟฟ้าใช้ต่อไปได้เวลาร่างกายที่เป็นเครื่องมือหาความสุขมันไม่สามารถหาได้หาความสุขให้กับเราได้เราก็เอาบุญบา ร, รมีที่เราหามานี้มาสร้างความสุขให้กับเราได้ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะมีอธิษฐานเราก็จะได้ตั้งเป้าได้ถูกงนะ ชีวิตของเรานี้เราต้องมีความสุขสำรองขณะที่ร่างกายมีความสามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ก็ยังหาได้อยู่ไม่ได้ห้ามอยากจะเพียงแต่ว่าให้เราลองมาหาความสุขจากการทำบุญกันบ้างสร้างบุญบรารมีกันบ้างหาความสุขทางร่างกาย6วันอีกวันหนึ่งวันที่เจก็มาหาความสุขทางจิตใจกันบ้าง มาสร้างบาลมีต่างๆเมตตาบารมีทานบาลมีศีลบาลมีเนื้อขมะบาลมีอุเบกขาบาลมีปัญญาบารมีบาลมีหลังต่าเหล่านี้จะให้ความสุขกับใจเพิ่มขึ้นไปตามลําดับตามกําลังของบาลมีต่างๆบาลมีเหล่านี้ก็เป็นเหมือนขั้นบันไดด้วยมีความยากง่ายต่างกันและก็สนับสนุนกันและกัน ดังนั้นถ้าเราเห็นคุณค่าของการสร้างบุญบารมีแล้วเราจะได้มาตั้งเป้ากันตั้งอธิษฐานจิตว่าต่อไปนี้จะมาแบ่งเวลาให้กับการมาสร้างบุญบารมีทำงานหาเงินหาความสุขทางร่างกายหกวันวันที่เจ็ดจะขอหยุดมาจะมาหาความสุขทางใจด้วยการด้วยการใช้บุญบารมีผลิตความสุขให้กับเรา พอเรามีอธิษฐานแล้วสิ่งที่เราต้องมีข้อที่สองตามมาที่จะทำให้เราไปสร้างบา ร, รมีได้ก็คือเราต้องมีสัจจะคือเมื่อเราตั้งเป้าแล้วเราก็ต้องทำตามที่เราตั้งไว้บางทีตั้งเป้าไว้้วพอถึงเวลาจะทำว่าไม่อยากทำมันยากขี้เกียจอยากจะไปยังอยากจะไปเที่ยวอยู่ เช่นพอหยุดทํางานจากตอนต้นตั้งใจว่าจะไปสร้างไปทา้งบุญบรารมีไปวัดไปอยู่วัดแต่พอถึงเวลาจริงๆอยากจะไปเที่ยวมากกว่าก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนเป้าอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจต้องมีสัจจะมีความจริงใจคือไม่โกหกตัวเองไม่หลอกตัวเอง ตั้งเป้าว่าวันพระจะต้องไปวัดนี่พอถึงวันพระจะรู้สึกไม่ไม่อยากไปก็ไม่ยอมต้องไปเพราะได้ตั้งเพราะได้พูดกับตัวเองไว้แล้วให้คำคำมั่นสัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าเราจะไปวัดในวันพระถ้าเราไม่มีสัจจะนี่มันจะล้มเหลวได้ดงนั้นข้อที่สองเราต้องมีหัดเป็นคนมีสัจจะเป็นคนไม่โกหกหลอกลวงคนตัวเองหรือคนอื่น พูดอะไรทําอะไรพูดอะไรว่าจะทําอะไรก็ต้องพูดต้องทําตามที่เราพูดไม่ใช่พูดอย่างแล้วก็ทําอีกอย่างนอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะหรือคิดอย่างหนึ่งแล้วก็ทําอีกอย่างคิดว่าจะมาวัดพอถึงวันพระก็ไปเที่ยวโน่ะไปที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะถ้ามีสัจจะแล้วเราต้องทําตามที่เราคิดเนี่ยนี่คือเครื่องมือชิ้นที่สอง ที่เราจะต้องมีถ้าเราอยากจะมาสร้างบุญบรารมีเพราะบุญบรารมีเป็นของที่เราไม่ชอบทำกันมันมันขัดกับความรู้สึกนึกคิดของเราความรู้สึกนึกคิดของเรานี่อยากจะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยากจะไปเที่ยวไปกินไปดื่มหรือถ้าไม่ไปเที่ยวก็ไปหาเงินหาทองพอจะให้มา ทำตรงกันข้ามให้เรามาเสียสละเงินทองให้เรามานั่งเฉยๆอยู่เฉยๆนีมันรู้สึกมันไม่อยากจะทำงั้นเราต้องมีเครื่องมือบังคับมันให้ทําเครื่องมือขั้นที่หนึ่งก็คือตั้งเป้าไว้อธิษฐานเครื่องมือข้อที่สองก็คือสัจจะเราต้องไม่ไม่โกหกตัวเราเองไม่คิดหลอกลวงตัวเราเอง แล้วข้อที่สามพอเรามีสัจจะแล้วเราก็ต้องมีความเพียรพยายามคือตั้งเป้าไว้แล้วมีสัจจะแล้วแต่ไม่มีเลี่ยวมีแรงที่จะไปทําอำก็บอกว่าไม่สบายบ้างอย่างงู้นอย่างนี้บ้างหนาวเกินไปบ้างร้อนเกินไปบ้างฝนตกบ้างลําบากบ้างออย่างนี้ก็จะทําให้ไปไม่ได้ถ้าไม่มีความขยันเอต้องมีความขยนันต้องมีความพยายามนะ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น yeah. ต้องมี Will พ o w e r พูดภาษาอังกฤษ whether i s a will t h r e is a way yeah. เข้าใจไหมงั yeah. ้นต้องมีข้อที่สามคือต้องมีวิ l l Power ต้องมีความเพียรพยายามที่จะทำตามที่เราตั้งใจไว้พอถึงวันพระนี้จะมาแก้งไ ม, ไม่สบายขึ้นมาไม่ได้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงขึ้นมาไม่ได้ ไปได้ไปเที่ยวไม่รู้แรงมันมาจากไหนเวลาจะไปวัดนี่แรงหายหมดนี่ต้องมีความเพียรต้องบังคับตัวเองให้ทําในสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วข้อที่สี่คือต้องมีขันติความอดทนเพราะบางทีทํากว่าจะได้ผลมันช้าพอทํานิดวันสองครั้งสองครั้งไม่ผลไม่เห็นผลไม่เอาละเลิกแล้ว อย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องทําไปเรื่อยๆมันเหมือนปลูกต้นไม้สร้างบุญบารมีเนี่ยบางอย่างมันช้าบางอย่างก็อาจจะเร็วแต่ถ้ามันยังไม่ได้ผลก็ต้องพยายามอดนทนทําไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผลมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองต้องใช้ความคิดว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างภายในวันเดียวกรุงโรมนี่ใช้เวลาสร้างกี่ร้อยปีกว่าจะเป็นกรุงโรมขึ้นมา อันนี้ก็เหมือนกันผลของบุญบรารมีก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่ทําปุ๊บได้ปับ๊บเหมือนไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปเที่ยวนี้พอไปเที่ยวปุ๊บก็ได้ทันทีแต่มันได้ปับ๊บมันก็หายไปปั๊บเหมือนกันต่อไปเที่ยวพอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องออกไปเที่ยวใหม่เรากำลังสร้างความสุขที่ยั่งยืนที่จะต้องใช้เวลาให้เราต้องมีเครื่องมือสี่ชิ้นนี้ เพื่อที่จะได้บังคับให้เรามาสร้างบา ร, รมีต่างๆกันนะครับต้องมีอธิษฐานคือความตั้งใจมีสัจจะความจริงใจไม่หลอกลวงตัวเองไม่โกหกหลอกลวงตัวเองมีวิริยะมีความภาคเพียรความขยันความพยายามแล้วก็มีขันติความอดทน ถ้าเรามีเครื่องมีสี่ชิ้นนี้แล้วเราก็จะสามารถไปสร้างบา ร, รมีข้อที่หนึ่งได้ข้อที่หนึ่งก็คือให้เราสร้างเมตตาบา ร, รมีก่อนเมตตานี้เป็นตัวที่จะเปิดประตูให้เราก้าวขึ้นสู่บา ร, รมีขั้นอื่นได้เพราะถ้าเราไม่มีเมตตาเราจะจะทำทานไม่ได้ถ้าเราเกลียดคนนั้นโกรธคนนี้ไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้เราจะไปช่วยเหลือเขาไม่ได้ ไปให้ทานไม่ได้เราต้องมีความเมตตามองทุกคนว่าเป็นเหมือนพี่น้องกันเป็นมิตรกันเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือเราต้องไปช่วยเหลือเขาให้ความช่วยเหลือกับเขาไม่ใช่มีเงินมีทาง<ม>ก็เก็บไว้ใช้คนเดียว<ม>เห็นคนอื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพอเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ควรที่จะช่วยเหลือเขา ดันข้อที่หนึ่งเราต้องมาสร้างเมตตาบารมีเมตตาคือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นคืออยากให้ผู้อื่นมีความสุขอยากให้ผู้อื่นไม่มีความทุกข์เนีอันนี้คือความหมายของมีความมีเมตตาเมตตานี้พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้มีอยู่สี่ลักษณะด้วยการการที่จะทําให้เรามีความเมตตาหนึ่งคือการไม่จองเวรกัน ไม่อาคติพยาบาทไม่จองเวรใครเขาทำให้เราโกรธเราต้องให้อภัยอย่าไปล้างแค้นให้อภัย forgive อย่าไป revenge อย่าไปล้างแค้นใครเขาทำอะไรก็มันก็ผ่านไปแล้วเขาพูดอะไรก็ผ่านไปแล้วเขาทำอะไรมันก็ผ่านไปแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแล้วถ้าเราให้อภัยเขามันก็จบ ถ้าเราไม่ไปให้อภัยเราจะไปล่างแค้นเดี๋ยวก็ไปมีเรื่องยาวพอเขาด่าเราเราก็าากไปด่าเขาพอไปด่าเขาเขาก็มาตีเราพอตีเราเราก็ตีกลับพอตีกลับเขาก็มาฆ่าเราอย่างน้ยเราต้องท่านอย่ามีความเมตตาเราต้องโปกีต้องให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมที่เราสวดอาเวลาโหนตุม คือการไม่มีเวรคำว่าเวรก็คือการล้างแค้นกันนี่เองเราจะไม่ล้างแค้นเราจะไม่เอาโทษคนที่เขาทำโทษทำร้ายเราเราจะไม่อยากจะมีเรื่องมีราวกับเขาอันี่คือข้อที่หนึ่งอเวลาโหนตุข้อที่สองอาบัญญัจชาโหนตุแปลว่าไม่เบียดเบียนกันคือไม่ไป เอาลัดเอาเปียบคนอื่นไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนจากการกระทำอะไรต่างๆของเราทำมาค้าขายแล้วก็ทำแบบซื่อสัตย์สุจริตไม่ไปกันแกล้งคู่ต่อสู้ไม่ไปทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนจากการทำมาหากินอะไรของเราคือไม่เบียดเบียนไม่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายจากการทำงานของเรา ข้อที่สามไม่ไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นนะเวลาเราโกรธบางทีเราก็อยากจะทุกทีเขาอยากจะด่าว่าเขาให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเราต้องอย่าทำอย่างนี้ถ้าเราอยากจะมีความเมตตาข้อที่สี่สุขีอัตานังปริหะรันตุอยากให้เขามีความสุขวิธีอยากจะให้เขามีความสุขก็ให้เข้าของเงินทองเ็ใช่ไมเวลาคริสต์มาสมาทุกคนมีความสุขม สุขพระอะไรเพราะได้รับข้าวของเงินทองกันเนี่ยเราไม่ต้องรองคริสต์มาสหรอกพุทธศาสนาสอนล้วเราต้องมีคริสต์มาสทุกวันให้คนมีความสุขทุกวันญาติโยมนี้ก็ให้ความสุขกับพระช า, ชาวพุทธจะให้ความสุขกับพระสายบาททุกวันเนี่ยอันนี้เรียกว่าเมตตาบรารมีการสวดนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตา ญาติโยมมักจะเข้าใจผิดคิดว่าไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็สวดบทแผ่เมตตาว่ากําลังแผ่เมตตาไปมันไม่ได้แผ่ไม่ไม่มีอะไรแผ่แล้วไม่มีคนรับแผ่การแผ่นี้ต้องมีคนรับแล้วก็ต้องมีอะไรให้เขาเช่นเขาทําร้ายเราเราก็ให้อาภัยเขาเขาเดือดร้อนก็ไม่มีเงินไม่มีข้าวกินก็ให้ข้าวเขากินอย่างนี้เรียกว่าเมตตาให้ความสุขกับเขาเอ เวลาเราอารมณ์ไม่ดีเราก็ระมัดระวังอย่าไปทำร้ายร่างกายของคนอื่นหรืออย่าไปพูดอะไรทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเวลาเราทำงานทำอะไรหากินของเราก็อย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้คือเรื่องของการมีความเมตตาถ้าการเมตตานี้อย่างที่พูดนี้ไม่ใช่เมตตาจากการสวดการสวดนี่เป็นการสอน หรือเป็นการเตือนใจหรือเป็นการศึกษาให้เรารู้ว่าเราต้องแผ่เมตตาอย่างไรต้องแผ่เมตตาด้วยการไม่ด้วยการให้อภัยพอใครเขาทำอะไรให้เกิดความเสียหายกับเราเราก็บอกไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วไม่เอาเรื่องเอาลาวไม่ไปฟ้องศาลไม่ไปขึ้นศาลอะไรต่างๆไม่ไปทุบตีเขาไม่ไปตอบโต้เขา ทำอะไรก็ไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนจากการกระทําของเราจัดงานปาร์ตี้เวลาเปิดเพลงก็เปิดเบาๆอย่าให้เพื่อนบ้านเขานอนไม่หลับนี่เรียกว่าเบียดเบียนกันต้องคิดถึงความความผลกระทบต่อผู้อื่นเวลาเราทำอะไรอย่าทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจากการกระทําของเราเรียกว่าไม่เบียดเบียนกันแล้วก็อย่าไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่น แล้วก็ถ้าเรามีพอที่จะให้ความสุขกับผู้อื่นได้ก็ให้ความสุขเข้าไปแบ่งปันไปมีของเหลือใช้เหลือกินก็เก็บไว้ก็เกะกะ บ, บ้านเอ้าไปแจกดีกว่าคนที่ก็ไม่มีเขาก็จะได้มีความสุขจากการได้รับข้าวของต่างๆของเรานีอันนี้ต้องเกิดจากการกระทำนะไม่ใช่เกิดจากการสวดญาติโยมชาวพุทธเหล่านี้หลงกัน คิดว่าเวลาสวดนี้กำลังแผ่เมตตาไปครอบจักรวาลเลยให้กับสามภพสามชาติไปเลยความจริงไม่ได้แผ่เป็นการแค่สวดสวดเพื่อระลึกเดือนใจเราหรือสวดเพื่อทำใจให้สงบเท่านั้นเองการสวดนี้มีประโยชน์คือตรงที่ทำให้ใจเรามีสติทำให้ใจเราหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตา การแผ่เมตตาต้องมีเหตุการณ์ต้องเจอคนต้องมีการกระทาถึงจะสามารถแผ่เมตตาได้ข้อที่สองพอเรามีเมตตาแล้วมันก็จะทำให้เราสร้างบา ร, รมีข้อที่สองได้คือทานบา ร, รมีทานก็คือการให้การเสียสละแบ่งปันประโยชน์สุขของเราให้กับผู้อื่น คนเราส่วนใหญ่นี้เรามีเหลือกินเหลือใช้กันแต่เราก็เป็นคนที่กลัวกลัวจะอดอยากขาดแคลนก็เลยมีความตนนีมีความหวงสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมากจนเกินไปเลยทำให้เรานี่เป็นเหมือนคนใจจืดใจดำไปคนอื่นเขาทุกข์ยากเดือดล้างก็ทำเป็นมองไม่เห็นไปแต่ถ้าเรามีความเมตตาเราจะไม่เป็นอย่างนั้น พอเราเห็นใครเขาทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็อยากจะแบ่งความสุขให้กับเขาบ้างเขาไม่มีความสุขก็อยากจะแบ่งความสุขให้กับเขาบ้างถึงแม้เขาจะไม่เดือดร้อนแต่เขาก็ไม่มีความสุขเหมือนเราเราก็แบ่งให้เขาไปคือการทำฐานนีคือการแบ่งปันแชร์ภาษาอังกฤษแชร์ยเวลส์ wealth, แบ่งทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ที่เรารู้ว่าเราตายไปก็ออกไปไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ใช้เหมือนเพียงแต่คิดว่าเก็บไว้เพื่อเป็น security นั้นเองเป็นพังแต่ความจริงก็ไม่ได้ใช้ซื้อเอามาทําทานดีกว่าเพราะเวลาทําทานแล้วใจจะมีความสุขเวลาแผ่เมตตาแล้วใจจะมีความสุขการการแผ่การทําทานนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาแบบหนึ่งให้ความสุขกับผู้อื่น แล้วก็บรารมีข้อที่สามก็คือศีลบรารมีก็คือไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายผู้อื่นนั่นเองก็ต้องอาศัยการมีเมตตานี่เราถึงจะสร้างทานบรารมีได้สร้างศีลบรารมีได้ไม่ทำบาปได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีเราการกระทาเหล่านี้ไปทาความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นถ้าเรามีความเมตตาเราก็จะไม่ทำ ดังนั้นการแผ่เมตตาจริงๆก็คือการมาสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีนี่เองถ้าเราไม่มีความเมตตาเราก็จะไม่อยากจะทําทานถ้าเราไม่มีความเมตตาเราก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สนใจถึงความเสียหายเดือดร้อนของผู้อื่นที่เกิดจากการกระทําของเราเพราะเราคิดจะเอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวเราเราคิดจะาหาความสุขใส่ตัวเราคนชาวบ้านเขาเดือดร้อนไม่สนใจ อย่างนี้แต่ถ้ามีความเมตตาแล้วจะระมัดระวังจะคิดว่าการกระทําของเรานี้ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือเปล่าให้ความสุขกับผู้อื่นหรือเปล่าเนีย่ยเราจึงต้องมีเมตตก่อนถึงถึงจะมาแผ่เมตตาได้พอมีเมตตาเราก็จะแผ่ด้วยการทําทานด้วยการแบ่งปันเท้าของเงินทองประโยชน์สุขที่เรามีให้แก่ผู้อื่นได้ แล้วเราจะทำอะไรเราก็จะไม่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเราก็จะมีศีลบารมีมีทานบารมีโดยอัตโนมัติสาเหตุที่เกิดจากการมีเมตตาบารมีนี่เองแล้วก็พอเราได้มีเมตตาบารมีมีทานบารมีมีศีลบารมีเราก็จะได้รับอนิสงส์จากการมีความเมตตานี้หลายประการด้วยกัน หนึ่งเราจะมีความสุขทั้งในขณะที่เราตื่นและในขณะที่เราหลับเนี่ยสองเวลานอนหลับจะไม่ฝันร้ายจะฝันดีสามจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายสี่จะมีเทวดามาคุ้มครองรักษาเรา 5. ้าจะไม่ตายด้วยยาพิษหรืออาวุธเนี่ยเพราะจะไม่มีใครเขาโกรธด้วยเกียรติชังเราเนี่ยมีแต่คนรักเราชอบเรา เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนที่ทำบุญคนที่มีความเมตตาคนที่มีศีลจะไม่มีใครเขาจะมาคิดทำร้ายเรกแล้วก็จะมีหน้าตาผิวพรรณผ่องใสเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่ายแล้วเวลาตายก็จะไปสวรรค์ไปสู่สุขติจะไม่ไปนรกไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปอาบาย นี่คือประโยชน์จากการสร้างสามบารมีแรกคือศีลคือเมตตาบารมีศีลบาทานบารมีศีลบารมีถ้ามีศีลจะไม่ไปเกิดในอบายศีล น, นี้เป็นตัวป้องกันไม่ให้เราทำบาปบาปเป็นตัวที่จะส่งให้ใจเราไปเกิดในอบายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสูรกายไปตกนรกนี่เป็นผลที่เกิดจากการกระทําบาป แต่ถ้าเรามีเมตตาบารมีมีทานบารมีมีศีลบารมีเราจะไม่ทำเราจะไม่ไปตายไปเราจะไปสวรรค์กันแล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเก่ามีความสุขมากกว่าเก่ามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าเก่าอันนี้คือบารมีสามข้อแรก ถ้าเราอยากจะได้สูงกว่านั้นเราก็มาสร้างบาราีข้อที่สี่เรียกว่าเน่ฆัมมะบาลมีเน่ฆัมมะนี่แปลว่าการออกจากการหาความสุขทั้งรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกนิ้วกายเพราะว่าเป็นความสุขชนิดหยากมีความสุขชนิดที่ละเอียดที่ดีกว่าความสุขที่จะได้จากการเสพกาม นั่นคือการความสุขที่ได้จากการมาทําใจให้สงบการจะทําใจให้สงบได้ก็ต้องหยุดหยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก่อนการถือการสร้างนี่คำว่าบารมีก็คือการถือศีลแปดถือศีลของนักบวชต่างๆนี่เองตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดจะห้ามไม่ให้เสพกามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตน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 อยากจะนอนต่อวิธีที่จะทำให้ไม่นอนมากเกินไปค่อยนอนบนพื้นแข็งๆพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมามันจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายเพื่อที่จะได้เอาเวลาของการไปเสพกามเหล่านี้ไปทำกิจกรรมเหล่านี้มาสร้างความสงบให้กับใจนั่นเอง ถ้าเราไม่ยุติการเสพกามเราจะมาสร้างความสงบที่เกิดจากการทําใจให้สงบไม่ได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากการเสพรูปเสียงเกล็ดลดต่างๆเราก็ต้องมาถือศีลของนักบวชกันเนี่ยวันพระชาวพุทธเรามักจะนิยมเข้าวัดแล้วก็มาถือศีลแปดกัน แล้วก็มาฝึกสติเพื่อมานั่งสมาธิทำใจให้สงบด้วยการไหว้พระสวดมนต์เนี่ยการสวดมนต์นี้ก็เป็นอุบายเป็นวิธีที่จะทำให้ใจมีสติเพอมีสติแล้วก็เวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่ายพอใจสงบใจก็จะได้ความความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เกิดจากการทำใจให้เป็นอุบเบกขา อุเบกขานี่ก็เป็นบาลมีข้อต่อไปเราต้องการความสุขที่สูงกว่าความสุขที่ได้จากการทําทานรักษาศีลเราก็ต้องมาเพิ่มอีกบารมีสองตัวคือมาเพิ่มในขัมมะบารมีกับอุเบกขาบาลมีในขัมมะบาลามีก็คือการรักษาศีลของนักบวช ตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดก็ได้ศีลสิบก็ได้ศีลสองรอยิบเจ็ดก็ได้ศีลสามร้อยสิบเอ็ดก็ได้มีหลายหลายระดับด้วยกันศีลเหล่านี้จะเป็นตัวคอยมาห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นความสุขที่หยาบกว่าที่สู้ความสุขที่จะได้จากการมานั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่ได้ ถ้าเราไปเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันใช่ไหมถ้าเราไปดูหนังฟังเพลงเราก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันถ้าเราไปเที่ยวตามโรงละครตามสถานบันเทิงต่างๆเราก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันอยน่นเราต้องสร้างเนคข ม, มารบารมีก่อนเราถึงมาสร้างอุเบกขาบารมีเพราะเราจะได้มีเวลามาฝึกสติสติเป็นผู้ที่ จะควบคุมความคิดต่างๆให้หยุดคิดพอหยุดคิดแล้วใจเราก็จะสงบจะเป็นอุเบกขาขึ้นมาจะมีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีถ้าอยากจะได้ความสงบแบบสู ง, ส, งสุดต้องมาทําใจให้สงบต้องสร้างนเนคข ม, ม, บมะบารเมนะ ผู้เบิกขาบารมีแต่ต้องอาศัยมีเมตตาบารมีทานบารมีศีลบารมีก่อนถ้ายังรักษาศีลหน้าไม่ได้จะไปรักษาศีลแปดได้อย่างไรมันเป็นขั้นบรรันไดเหมือนเรียนหนังสือก่อนจะขึ้นปสองต้องผ่านปหนึ่งก่อนก่อนจะขึ้นปสามต้องผ่านปอสองก่อนเนี่ยฉนั้นบารมีเหล่านี้เป็นเหมือนขั้นบรรันไดต้องมีเมตาก่อนถึงไปทั่งทานบรรารมีได้ มีทานบาลมีแล้วก็ไปสร้างศีลบาลมีมีศีลบรารมีก็ไปสร้างเนีมม่ยขมภัณฑ์บาลมีมีเนี่ยขมภัณฑ์บาลมีก็จะไปสร้างอุเบกขาบาลมีได้ทำใจให้สงบได้แต่ความสุขที่ได้จากอุเบกขาบรารมีก็ยังเป็นความสุขที่ชั่วคราวอยู่เวลาออกจากสมาธิมาอุเบกขาก็จะจางหายไปความสุขก็จะหายไปถ้าอยากจะให้ความสุขของอุเบกขา นี่ของความสงบนี้ถาวรต้องสร้างบา ร, รมีข้อสุดท้ายคือปัญญาบา ร, รมีถ้ามีปัญญาบา ร, รมีมีความรู้ว่าอะไรเป็นผู้มาทำให้ความสุขที่เราได้จากสมาธิหายไปเราก็มา กำจัดไอ้ตัวที่มาทำลายความสงบนี้ตัวที่ทำให้ความ ส, บามสงบหายไปพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าก็คือกิเลสตัณหาของเราเนี่เองความอยากต่างๆเวลาอยู่ในสมาธิความอยากไม่ทำงานใจแล้วก็มีความสุขพอจากสมาธิมาพอไปคิดถึงกาแฟคิดถึงขนมก็อยากกินขึ้นมา พออยากกินใจเราก็กเพิ่มแล้วความสุขที่ได้ความนิ่งเฉยก็หายไปแล้วทีนี้ต้องกวนกวยกตือรื่องล้ลนนะต้องไปหากาแฟต้องไปหาขนมมาเดิมเนีเราก็ต้องหยุดความอยากนี้ด้วยการดูความจริงว่าความสิ่งที่เราได้เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวกินกาแฟเดี๋ยวก็หมดกินปุ๊บความสุขที่ได้ก็หายไปเดี๋ยวความอยากกินกาแฟใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีก กินกี่ถ้วยมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่อิ่มไม่พอสักทีขนมกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอมันก็จะมาทําให้ใจเราไม่มีความสงบตลอดเวลาฉะนั้นเราอย่าไปกินมันเดีย๋ยถ้าจะกินก็กินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อยู่แต่ถ้ากินเพื่อความสุขอย่าไปกินเอกลับไปหาความสุขจากความสงบดีกว่ากลับไปนั่งสมาธิดีกว่าถ้าจะไปกินกาแฟไปนั่งสมาธิดีกว่า หยุดความอยากด้วยการเห็นว่าการไปทำตามความอยากจะพาเราไปสู่ความสุขชั่วคราวแล้วจะพาให้เราอยากไปเรื่อยๆแล้วพออยากแล้วไม่ได้ก็จะทำให้เราทุกข์ต่อไปนี่คือปัญญารามีให้เห็นไตรักในสิ่งต่างๆที่เราอยากเสพอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเราเห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่จะพาให้เราต้องไปหา สิ่ง ต, งต่างๆอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเนี่ยเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเราหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาตลอดเวลาพอหรือยังไม่เคยพอเคยดูอะไรมาพอดูหรือยังเคยกินอะไรพอหรือยังไม่มีวันพอเพราะของพวกนี้มันให้ความพอกับเราไม่ได้แล้วเมื่อเราตายไปความอยากนี้มันก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดใหม่นี่แต่ถ้าเราใช้ปัญญาหยุดความอยากได้ เราไปความอยากก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจของเราเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กต่อไปเราก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์กันนี่คือปัญญาข้อสุดท้ายที่จะทำให้เรายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ปัญญาทั้งข้ออื่นๆนี้ยังยุติไม่ได้เพียงแต่ยกระดับจิตให้ขึ้นสู่ระดับของความสุขที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ยังเป็นความสุขชั่วคราวที่เสื่อมได้เพราะยังมีความอยากเป็นตัวคอยดึงจิตให้ลงต่ำอยู่แต่พอมีปัญญามากำจัดมันทำให้ไม่มีอะไรมาดึงจิตให้ลงต่ำจิตมันก็จะขึ้นสู่ขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอยู่กับบรลมมสุขของพระนิพพานนิ บ, บานังปรมังสุ ข, ขัง นี่คือผลที่จะเกิดจากการที่เรามาสร้างบุญบา ร, รมีกันเหมือนกับการเรียนหนังสือเราเรียนไปเราก็จะเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆถ้าเราเรียนไม่หยุดต่อไปเราก็จะเรียนจบได้รับปริญญาแต่ถ้าเกิดมีอุอปัตกรเกิดเราตายไปก่อนเราไปเรียนต่อชาติหน้าได้เพราะสิ่งที่เราเรียนมามันไม่หายไป เมตตาบรารมีที่เรามีอยู่แล้วมันไม่หายไปทานบรารมีที่มีอยู่แล้วมันไม่หายไปเราเอาไปกับเราได้พอเราไปเกิดชาติหน้าต่อเราก็ไปทำต่อเนีย่ยทำไมคนเรามาเกิดจึงมีใจบุญใจบาปไม่เหมือนกันเพราะเป็นของที่มันติดมากับใจนั่นเองคนที่มีบุญติดมาก็จะทำบุญคนที่มีศีลติดมาก็จะรักษาศีลของนี้เราทำต่อได้ไม่สูญหายไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ เราไม่ช้าก็แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถึงจุดสูงสุดต่อไปได้เมื่อเราเข้าถึงขั้นปัญญาบารมนีนี่คือเรื่องของการมาสร้างบุญบารมีที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สำคัญต่อชีวิตจิตใจของพวกเราที่พวกเราไม่รู้กันเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราได้มาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น จึงขอให้พวกเราพยายามฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่แท้จริงสิ่ง อ, อืินที่เรากําลังหากันอยู่นี้เป็นคุณมีคุณค่าชั่วข่าวชั่ขณะนาที่เรามีร่างกายเท่านั้นเวลาที่ไม่มีร่างกายหรือเวลาที่ร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้เราจะไม่สามารถหาความสุขจากมันได้ แต่ถ้าเรามีบุญต่างๆนี้ถึงแม้ร่างกายจะเป็นอะไรเราก็ยังมีความสุขได้ก็ขอให้ท่านจงนำมาไปพิจารณาและปฏิบัติต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยะถาวารกวาหาปุราปาริโปเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปการปติอิตชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาโตุสัพเพปเรนตุสังกปา จันโทปนะหระโสยถามณีโชติหระโสยทัสสะพิติโยวิวัชฉันตุสัพปะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีริสะนิจังวุฒาปะจายโนจตารโ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 วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทางเ c e b o o k เข้ามา409ย t u b e 550วิทยุออนไลน์17รับฟังข้างบนนี้56คนรวมทั้งหมด 1,032 คนครับอาจารย์ไวมันทำงานคนกลับดูเยอะนะมันหยุดกลับหายไปนะแสดงว่าหยุดดูที่ทำงานกันหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรชั่วโมงนึงไม่เสียหายอะไรนะ <c oughs> <c oughs> You have any question? Okay. Olivier from Paris. ท uh, mm -hmm. ่านนี้มาปีละสองครั้งมาจากฝรั่งเศสมาก็มาอยู่มาฟังเทศทุกวันหกเจ็ดวันด้วยกัน uh, คราวนี้ก็เหมือนกันใช่ไหม ม, uh, มาฟังทุกวันแล้วก็มาถามคําถามทุกวันถ้ามีใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมานะจะ yeah. ถ้าไม่มีก็จะเอาคำถามทางบ้านต่อไปคาถามจากผู้ฝากถามข้างบนเขาครับขณะที่เรากาลังภาวนามีอาการปวดท้องรุนแรงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารหรือควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาธาตุขันไว้เพื่อสามารถปฏิบัติธรรมต่อไปได้ครับ อ, อ๋อถ้าร่างกายเป็นอะไรก็ต้องไปดูแลเรื่องร่างกายก่อน พราะถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาเพะเห็นถ้าเป็นเรื่องของร่างกายก็ต้องไปหามหมอไปรักษาแต่ถ้าเป็นเฉพาะเวลานั่งอย่างเดียวก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสพอเลิกนั่งก็หายพอไปนั่งดูหนังฟังเพลงก็ไม่เป็นนี้แสดงว่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสถ้าอย่างนั้นก็อย่าไปสนใจมัน ต้องบางทีกิเลสมันฉลาดนะมันชอบเอาเรื่องของร่างกายมาเป็นเหตุไม่ให้เราไปปฏิบัติโอ้ถือศีลแปดก็ไม่ได้เดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะเนี่ยกินไม่ได้กินข้าวเย็นเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาอจะมีอะไรต่างๆมาคอยหลอกล่อให้เราไม่ไปปฏิบัติเห็นเราต้องใช้เหตุผลดูความจริง หรือว่าถ้าเวลาไม่ปฏิบัตินับเป็นไหมนุ้ยจะมาเป็นแต่เฉพาะเวลาปฏิบัติเนี่ยแสดงว่ามันเป็นผลของกิเลสสร้างขึ้นมาคำถามจากคุณนิยาการรักษาศีลอุโบสถทั้งวันมีอนุภาพมากน้อยเพียงใดเจ้าค่ะก็นี่ับมันเป็นการเจริญในธรรมะบารมีเป็นการห้ามกิจกรรมทางเพศทางรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองเพราะเรา ดูหนังไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้กินข้าวหลังเที่ยงวันไม่ได้จะได้มีเวลามาฝึกสติมานั่งสมาธินั่นคืออา น, นิสง์ของการรักษาศีลแปดเองเราจะได้มีเวลาว่างที่จะมาจะเจริญสติมานั่งสมาธิได้มีคำถามหรยอจะถามเองก็จะส่งเข้าไปถ า, ถามเองเอาอถามเองเอาตามสบายดูได้เลย กับนมัสการพระอาจารย์ค่ะคุณจะได้ตังค์ไหม ค, คืออยากจะถามเกี่ยวกับการเข้าสมาธิค่ะเวลานั่งเวลานั่งภาวนาไม่สามารถเข้าสมาธิได้ในเวลาที่เราอยากจะเข้าส่วนมากสมาธิที่ได้อะจะมาแบบฟุกๆอะค่ะคือนั่งแบบไม่ได้ตั้งใจก็จะได้เห็นหนังตัวอย่างถ้าเข้าสมาธิได้ก็จะนั่งได้นานค่ะคือสามารถเ น, นสันเนสันชิกได้ค่ะ แต่บางทีมันเข้าไม่ได้พยายามหลายครั้งแล้วพยายามสังเกตหลายครั้งแล้วคือปัญหาคือไม่สามารถเข้าสมาธิได้ในเวลาที่เราอยากเข้าค่ะเพราะว่าเวลานั้นมันมีความอยากขึ้นมาเราต้องอย่าไปอยากให้อยากเข้าเราปฏิบัติไปแบบไม่อยากทำหน้าที่ของเราคือเจริญสติพุทโธพุทโธไปเข้าได้ไม่ได้ช่างหัวมันอย่าไปสนใจ ขอให้เรามีสติอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปแล้วความอยากมันจะไม่มาเป็นตัวขวางกัน้นการเจริญสติพอเราอยากว่ามันจะคิดถึงผลอยากจะได้แล้วมันก็เลยไม่เจริญสติมันไม่เจริญพุโทโธยิ่งอย่ า, ยาไปสนใจกับผลว่าเริ่มนั่งกระ บ, บอกขอให้มีอยู่กับสติอย่างเดียวให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวจะเข้าได้ไม่ได้มันนี้เป็นเรื่องของสติไม่ใช่เรื่องของความอยาก ความอยากนี่เป็นตัวอุปสรรคคาถามที่สองค่ะส่วนมากนุปวัรรมอ่ะที่ที่ได้มาน่ะคือจากความฝันที่มีครูบาอาจารย์มาบอกแล้วบางทีอ่ะก็จะได้ผลมากแต่บางทีก็กลัวกลัวแบบเสียสติอะค่ะก็ต้องระมัดระวังคือดูว่าสิ่งที่เราได้มามัน ขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เราต้องมีมาตรฐานวัดคำสอนของผู้อื่นใหเราต้องพยายามศึกษาคำสอนจากของพระพุทธเจ้าไว้พระพุทธเจ้าสอนมรรคแปดอย่างนี้ถ้าเกิดความฝันมาสอนบอกว่าไม่ต้องเจริญมรรคแปดไม่ต้องรักษาศีลก็ได้อย่างนี้แสดงว่าไม่ใช่แล้วเราต้องมีมาตรฐานมี มีหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นแนวทางไว้เปรียบเทียบกับคําสอนของแหล่งอื่นไม่ว่าจะมาจากพระหรือโยมหรือมาจากความฝันอะไรก็ตามถ้ามันขัดกับหลักธรรมคําสอนก็อย่าไปเชื่ อ, อหรือถ้ายังอยากจะทดลองก็ดูว่าผลเป็นยังไงมันอาจจะเป็นอุบายวิธีที่แตกต่างกันแต่ยังเป็นหลักยังถูกต้องอยู่ ก็อาจจะทำให้เกิดผลได้ผลก็คือความสงบสงความโลภ<ะ>ความโกรธความหลงหายไปอย่างนี้ส่วนมากจะบอกวิธีปฏิบัตินะคะก็ลองไปพิสูจน์ดูดูว่าพิสูจน์แล้วจิตสงบไหมความโลภความอยากหายไปไหมให้ดูตรงนี้ก็แล้วกันค่ะขอบคุณค่ะแต่คนยังมีหลักยึดมีหลักทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็น เป็นที่ยึดเหนี่ยวเวลาที่เราจะไปเรียนกับแหล่งอื่นเราจะได้รู้ว่าเป็นแหล่งแท้หรือแหล่งปลอมพระทุกรูปประชาชจะเป็นพระที่จะเป็นพระแท้นะพระปลอมก็มีเราก็ไม่รับประกันว่าเราปลอมหรือเราแท้นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าเราไปว่าคนอื่น <c oughs> ว่าเราก่อน <c oughs> นะอย่าเชื่อเราเนอะเดี๋ยวเกิดเราเป็นของปลอมขึ้นมาจะเสียใจนะ <c oughs> คำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามโยมเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายลุกลามไปหลายที่เข้าโรงพยาบาลมา20 กวาวันและกลับมาบ้าน10บวันนอนไม่ได้เพราะน้ําท่วมปอดหายใจไม่ออกทั้งเจ็บปวดจากร่างกายอย่างแสนสาหัสโยมพยายามพุโทโธตลอดได้บ้างไม่ได้บ้างจนมาคืนหนึ่งใจอยู่กับพุโทโธจนใจวูบลงร่างกายหายไปแต่ใจก็ยังอยู่กับพุโทโธตลอดพอลืมตามาใจก็รู้สึกฟูฟูมีความสุขความเจ็บยังอยู่แต่ใจมีความสุขเป็นเช่นนี้มาสองเดือนแล้วเจ้าคะ่ะโยม มควรปฏิบัติอย่างไรต่อครับก็ขั้นต่อไปก็ปล่อยวางร่างกายพิจารณาร่างกายว่าเรากับร่างกายเป็นคนละคนกันเราเป็นเหมือนฝาแฝดเราเป็นแฝดพี่ร่างกายเป็นแฝดน้องเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้เราแต่ร่างกายมันก็มีอายุขัของมัน มันถึงเวลามันจะไปก็ปล่อยมันไปมันจะหมดลมก็ปล่อยมันหมดลมไปอย่าไปยืมันไว้อย่าไปพยายามหายใจให้รู้เฉยๆดูลมหายใจไปหายใจเข้าหายใจออกไปถ้าหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายถ้าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายอย่าไปทําอะไรกับร่างกายมันจะทรมานไปเปล่าๆ ให้ดูตามภามเป็นจริงของมันมันจะเจ็บจะปวดก็ดูมันไปเฉยๆอย่าไปอยากให้มันหายอยู่กับพุทธโธไปปล่อยวางไปสอนตัวเองว่าอนัตตร่างกายไม่ใช่ตัวเราอนัตตาเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นคนรับใช้เราที่มันจะต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วคำถามจากคุณดิษยาเวลาพิจารณาอสุภะ ใจมันไม่ยอมให้พิจารณาได้นานๆจนต้องใช้พุทโธ ร, รังอับไว้ให้ใจถึงให้ใจสงบและถึงจะมีกำลังพิจารณาต่อทำอย่างไรจึงจะสามารถให้พิจารณาอสุภะให้ได้ต่อเนื่องและทำให้ได้ตลอดเจ้าคะ่ะก็นี้แหละก็ต้องสลับกันเพราะว่าใจก็เหมือนโทรศัพท์มือถือเนี่ยใช้ไปแบตหมดก็ต้องไปชาร์จแบตใช่ถ้าไม่มีแบตมันก็ใช้ไม่ได้ สมาธิก็เป็นเหมือนแบตเตอรี่ของใจเนี่ยพอพิจารณาสุภาพไม่ได้ก็เหมือนแบตหมดก็ต้องเข้าไปในสมาธิก่อนไปพุโทโธพุโทโธไปทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาแล้วมันก็จะมีกำลังที่จะบังคับให้ไปคิดทางสุภาพได้ถ้าไม่มีแบตเตอรี่กิเลสมันก็จะเอาไปคิดทางกิเลสจะคิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องสวยเรื่องงามเรื่องน่ารักน่าอะไรทั้งนั้นขึ้นมา นี่แหละคือความจำเป็นความสำคัญของการมีสมาธิก่อนที่จะไปใช้ทางปัญญาได้เหมือนกับเครื่องมือถือเนี่ยเวลาเราซื้อมาใหม่ๆสิ่งแรกที่เราทำคืออะไรชาร์จแบตก่อนเนี่ยไหมไม่ใช่ไปกดเปิดเครื่องเปิดไม่มีแบตมันก็ไม่ติดอยู่ดี อนนี้ก็หมือนกันใจเราถ้าจะเอาไปใช้ทางปัญญานี่จะต้องมีสมาธิก่อนถ้าไปใช้ทางปัญญาไม่มีสมาธิหรือมีนิดเดียวมันก็พิจารณาได้แป๊บเดียวก็มหมดแรงอยากจะไปคิดเรื่องอื่นแล้วอย่างนั้นก็ต้องกลับไปทําสมาธิพุโทโธพุโทโธให้จิตนิ่งนานๆยิ่งนานเท่าไหร่เวลาออกมาก็จะใช้งานได้นานเหมือนแบตเตอรี่ชาร์จได้นานเท่าไหร่ก็จะใช้ได้งานได้นานเท่านั้น ฉะนั้นต้องใจเย็นๆอย่ารีบร้อนไปทางปัญญาตอนนี้แบตเรายังไม่ค่อยมีแบตเตอรี่อะไรมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะพยายามชาร์จให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นตก่อนพอได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเทนี้โอยใช้ไปได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถ้ามีอัปปนาสมาธิเข้าสมาธิที่ได้อยู่เป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยออกมามันก็จะอยู่ได้พิจารณาได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงไป พอหมดเราก็ต้องกลับเข้าไปใหม่ยังต้องกลับเข้าไปเรื่อยๆสมาธินี่ต้องเข้าไปเติมอยู่เรื่อยๆพราะเหมือนกับแบตเตอรี่เนี่ยพอใช้ไปแล้วเดี๋ยวก็หมดพอหมดพอพิจรารณาไม่ได้ไม่ได้เรื่องนะจิตเริ่มฟุ้งขึ้นมาแสดงว่าโนเลคิดเรื่องนะั้นเรื่องนี้แล้วก็ต้องหยุดนะต้องกลับไปเข้าสมาธิใหม่ก่อนสมาธิกับปัญญาท่านเปรียบเทียบเหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวาต้องผัดกันเดินก้าเราเดินไม่ได้เดินขาเดียวใช่ไหม เราเดินสองขาตอนนี้เราก้าวเท้าซ้ายเสร็จแล้วเราก็ค่อยก้าวเท้าขวาตอนนี้เราทำสมาธิเสร็จแล้วเราก็ไปทำปัญญาทำปัญญาเสร็จแล้วเราก็มาทำสมาธิใหม่ต้องช่วยกันล้วเดี๋ยวมันก็จะสำเร็จคำถามจากผู้ฝากถามญาติใกล้ชิด บางคนไม่ศรัทธาในศาสนาและไม่เชื่อเรื่องผลของกรรมเราควรปล่อยไปตามกรรมของเขาใช่ไหมครับได้พยายามโน้มน้าวชักชวนไปทาบุญและฟังธรรมก็ปฏิเสธครับนั่นแหละก็ <c oughs> เหมือนเราเทน้าให้เขาเขาไม่เอาแก้วมารองเราจะเทให้เขาได้ยังไง เใช่ไหมหรือก็เอาแก้วความไว้แล้วบะเทไปเลยเทไปเท่าไหร่มันก็ด้านก็ไม่เข้าไปในแก้วะงั้นเขาต้องเขาต้องลองรับใจเขาต้องลองรับทำที่เราแนะนําให้กับเขาถ้าเขาไม่ลองรับเขาไม่ยินดีก็เสียเวลาเปล่าๆน้องตาท่านเปรียบเทียบเหมือนกับเทน้ําใส่หลังหมาดูต้องเห็นไหมเวลาเทน้ําใส่หลังหมามันหมามันเก็บไว้ไหมมันสะบัดทิ้งหมดนะนั่นแหละคนที่ไม่สนใจสิ่งที่เราให้เขาก็เป็นแบบนั้น เราก็บังคับเขาไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้คำถามจากคุณเข้าปั้นคำถามแรกโยมพิจารณาขันห้าแยกรูปนามจนเห็นเป็นธาตุจนเข้าใจถึงแวดล้อมเราก็แค่ธาตุเหมือนกันในเมื่อเราไม่มีทุกอย่างไรรอบเราแม้เราไม่มีที่ว่าขันห้าบังจิตในเมื่อสลายขันได้แล้วและจิตเด่นดวงทำไมไม่เห็นเจ้าคะหาจิตไม่เจอครับ เราไม่ต้องการหาจิตนงจิตไม่ต้องไปหามันเพราะเราเป็นจิตเราไปหามันแล้วก็บ้าการปฏิบัติไม่ได้หาจิตการปฏิบัติให้เราเข้าใจสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องด้วยว่ามันเป็นของปลอมเป็นเงาเราไปหลงเงากันเป็นดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนไอติมเดี๋ยวมันก็ละลายพอ เ, าเอาออมาจากตู้เย็นเดี๋ยวมันก็ละลายกลายเป็น อย่างอื่นไปร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็เสื่อมสภาพกลายเป็นดินน้ําลมไฟไปให้เข้าใจหลักนี้แล้วเราจะได้ปล่อยวางจะได้ไม่ไปทุกข์กับมันเวลาที่มันเปลี่ยนไปหรือมันหมดไปคำถามต่อเนื่องนะครับในเมื่อเห็นสภาวะธรรมขนาดนี้ทำไมยังมีอารมณ์โกรธที่รุนแรงอยู่เจ้าคะพราไม่ได้เห็นด้วยสมาธิเป็นผู้สนับสนุนไง ยังไม่มีสมาธิเขาเรียกว่าเป็นจินตนาการเห็นด้วยจินตนาการถ้าจะเรียกก็เป็นปัญญาที่เรียกว่าจินตามียปัญญาเป็นความคิดนึกคิดของเรา ซ, ซึ่งอาจจะตรงกับความเป็นจริงแต่จิตของเรานี้ยังไม่สงบพอที่จะเอาความรู้นี้มาใช้ต่อการกําจัดความโลภความอยากต่างๆได้พอเกิดความโลภความอยากขึ้นมาก็ห้ามมันไม่อยู่ ทั้งทั้งที่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดินน้ำลมไฟไปโลกไปอยากได้ทาไมแต่พอเวลามันอยากขึ้นมามันไม่มันลืมดินน้ำลมไฟไปแล้วมันกลายเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรไปหมดแนละ้วคำถามต่อไปจากคุณบอลขณะที่นั่งสมาธิเกิดอาการเหมือนตกลงไปในอากาศมืดและเงียบ ตอนอยู่ในอาการนี้เสียงเราท่องพุโทโธดังแต่อยู่ได้ไม่นานคืออาการอะไรครับและควรทําอย่างไรต่อไปครับก็อาการที่จิตเข้าสู่ความสงบเนี่ยถ้ามันตกจากที่สูงลงมาถ้าเรายังพุโทโธได้ก็พุโทโธไปทําไม่ไม่พุโทโธได้ มันอยู่เฉยๆมันอยู่กับความสงบก็ปล่อยมันอยู่เฉยๆไปถ้ามันออกมามันจะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พุโทโธใหม่ทาต่อไปทาจนกว่าจะทาไม่ไหวแล้วค่อยเลิกถ้ายังทำต่อได้ก็ทำเพราะสติเรายัางไม่มั่นคงช่วงไหนสติ ด, ดีมันก็วูบลงไปแต่วูบได้เดียวๆมันก็ได้งออกมาเราก็ต้องใช้สติทาใหม่ทาไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะ เข้าไปข้างในได้นานส ง, งบได้นานขึ้นไปตามลำดับคำถามจากคุณพิทักษ์ ในการภาวนานั่งภาวนาจนเห็นว่าพอสมควรแล้วเลยกำหนดจิตให้คิดว่าในขณะต่อไปนี้จะออกจากการนั่งปรากฏว่าเหมือนจิตไม่ให้ออกจากการภาวนาจะให้คงอยู่ในความสงบต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้ควรที่จะรักษาจิตให้อยู่ในความสงบต่อไปให้จิตถอนออกมาด้วยตนเองใช่ไหมครับถูกต้องที่เรานั่งก็เพื่อให้มันสงบที่บางทีกิเลสความอยากของเรามันอยากจะเลิก แต่จิตมันสงบมันยังไม่อยากจะเลิกตามความคิดของเราก็อยู่กับความสงบต่อไปความจริงควรจะหยุดความคิดที่อยากจะเลิกแล้วก็เดิมมันเสียเนือใช้พุโทโธช่วยให้มอย่าไปคิดถึงความอยากจะเลิกเพื่อที่จิตจะได้นิ่งต่อไปได้นานขึ้นคําถามต่อไปจากคุณอมรินพร ขอพระอาจารย์ให้ความกระจ่างในเรื่องขันห้าที่ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปโยมพอเข้าใจเจ้าะ่ะแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมกันแล้วเป็นใจหรือว่าใจอยู่ต่างหากไม่ใช่ทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับเป็นส่วนหนึ่งของใจส่วนประกอบของใจใจเป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้มีความรู้สึกมีเวทนามีความคิดคือสังขาร มีความจำได้หมายรู้จำว่าเคยทำอะไรมาก่อนจำว่าคนนั้นคนนี้เป็นอะไรหมายรู้คือรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราเห็นนี่เป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรเรียกว่าสัญญาวิญญาณเป็นผู้ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสมาจากตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือห น, หน้าที่ของของผู้ที่ทํางานให้กับใจ ใจเป็นเหมือนอเจ้านายนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็สั่งให้ลูกน้ําให้ไปหารูปเสียงกิจรสมาให้หน่อยสอิวิญญาณก็ไปหามาพอหามาเสร็จใจก็ถามว่านเป็รูปอะไรวะสัญญาก็มาทําหน้าที่ว่าอ๋อเป็นรูปคนนั้นคนนี้เอ mm hmm. พอรู้ว่าเป็นรูปคนนั้นคนนี้ก็เกิดเวทนาขึ้นมาว่ารู้สึกสุขรู้ทุกข์กับรูปนั้นรูปนี้ถ้าเป็นคนเคยให้เงินมาก็สุข mm hmm. พอคนทวงเงินก็ทุกข์ พอเกิดความสุขความทุกข์สังขารมันก็จะทำหน้าที่ต่อว่าเราจะให้ทำอะไรดีสังขารก็บอกว่าถ้าเขาเอาเงินมาให้ก็ไปต้อนนับเขาถ้าเขาจะมาทวงนี่เขาบอกว่าไม่อยู่ <c oughs> <c oughs> นี่คือสังขารคือนี่คือหน้าที่ของขันขันจีทำหน้าที่ให้กับใจผู้รู้ ใจเป็นเหมือนเจ้านายขันศีนี่เป็นเหมือนลูกน้องของเจ้านายทำหน้าที่ให้กับเจ้านายไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้เจ้านายเสพแล้วก็พอเข้ามาก็จะใช้สัญญาความจำได้ไหมรู้ว่าเป็นรูปอะไรดีไม่ดีถ้าดีก็ทำให้เกิดสุขใจขึ้นมาถ้าไม่ดีก็เกิดทุกข์ขึ้นมาพอเกิดสุขก็ใช้สังขารสั่งว่าเอามาเยอะๆอ น, นี่ดี ถ้าถ้าไม่ดีก็บอกไม่เอาโยนทิ้งไปนี่คือหน้าที่ของขันทําหน้าที่ให้กับใจรวมทั้งร่างกายด้วยเพราะร่างกายเพราะขันต้องใช้ร่างกายใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาเห้นขันห้านี้เป็นผู้มาทําหน้าที่รับใช้ใจเข้าใจไหมใจเป็นนายใจเป็นประธานเป็นใจผู้เสพทุกสิ่งทุกอย่างผ่านขันห้า คำถามต่อไปจากคุณปานจิตเคยได้อ่านหนังสือมาบอกว่าเวลาจะนอนให้นั่งภาวนาและแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรและแผ่บุญให้คนนั้นคนนี้ทำแบบนี้บุญจะถึงคนที่เราแผ่ให้ไหมเจ้าคะก็อยู่ว่ามีบุญแผ่หรือเปล่า <laughs> ถ้าไม่ได้ทำบุญอย่อะไรไปแผ่เหมือนไม่มีเงินจะไปเอาเงินไปแจกใครได้หรือเปล่า บุญนี้เป็นเงินของโลกทิพย์เขาใช้กันในโลกทิพย์ถ้าอยากจะแผ่บุญอุทิศบุญต้องไปทําบุญก่อนไปหาบุญมาก่อนบุญที่ง่ายที่สุดก็คือทานเนี่ยใส่บาตรนี้ก็ได้บุญมาเยอะแล้วถวายสังฆทานนี้ก็ได้มาเยอะแล้วพอมีบุญณะทีนี้ก็ไปอุทิศได้ถ้าไม่มีบุญก็อุทิศแต่ลมไปลมปากไปส่วนแผ่เมตตาแผ่ไม่ได้แผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เจอกัน ไม่ใช่มาแผลตอนที่จะนอนโอ้ยบา ย, บายยขอให้ทุกคนมีความสุขนี่แต่พอเจอกันก็กัดกันตีกันนีอหมดได้ยังมีครับ อ, อ, อีกสองคอีกสองนาทีคำถามจากคุณชอบเพชรทำอย่างไรถึงจะระงับอารมณ์โกรธและความหงุดหงิดได้ครับ ก้าขั้นต้นก็ใช้สติง่ายที่สุดเวลาโกรธก็ท่องพุทโธพุทโธไปแล้วสวดมนต์ไปก็ได้อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราหงุดหงิดหรือโกรธเดี๋ยวมันก็หายไป mm hmm. ช่วงที่สองก็ถ้าอยากจะแก้แบบถาวรก็ต้องแก้ด้วยปัญญาปัญญาก็จะบอกว่าสาเหตุที่เราโกรธเรื่องหงุดหงิดเพราะเราอยากแล้วไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากเราก็เลยโกรธ อยากให้เขายิ้มให้เราพอเขาไม่ยิ้มให้เราเราก็โกรธอย่ากให้เขาทาอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราเขาไม่ทําเราก็โกรธถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมาเราก็อยากไปอยากอะไรจากใครอยากไปได้อะไรจากใครเราก็จะไม่โกรธ คำถามต่อไปจากคุณนิยาถ้ามีสติแต่ไม่มีปัญญาผลจะเป็นแบบไหนครับก็ชั่วคราวสติเป็นเหมือนยาหม่องเนี่ยพอเจ็บตรงนั้นปวดนีนเน้เอายาหม่องทาไปก่อนมันก็ระงับได้ชั่วคราวพอฤิยาหมดมันก็เจ็บขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะหายเจ็บก็ต้องไปหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรแล้วใช้ยาชนิดไหนพอได้ยามารักษามันก็จะหายขาดเนี่ย ปัญญาก็จะเป็นเหมือนยามารักษาวความทุกข์ใจให้หายขาดสติก็เพียงแต่ละ ง, งับไว้ชั่วคราวพอลึธของสติหมดกำลังของสติหมดความทุกข์ก็จะกลับขึ้นมาใหม่พอแล้วนะพอแล้วนะเวลาพอดี